พระผู้มีพระภาคเจ้านี่ก็ได้กล่าวถึงผู้ที่ตาหนิหรือผู้ที่ปฏิเสธโลกุตระคุณของพระพุทธเจ้าผู้ที่ปฏิเสธคุณธรรมต่างๆของพระพุทธเจ้ามีสัพพัญยุตยานเป็นต้นเนี่ยนะบุคคลที่ปฏิเสธพระพุทธคุณทั้งหลายเหล่านี้พระองค์บอกว่าถ้าไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สละคืนทิฏฐินั้นเสีย แน่นอนเที่ยงแท้ที่จะตกนรกว่างั้นนะเหมือนอะไรเหมือนคนที่สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญากะยิมอรหัตตผลฉะนั้นท่านบอกว่าในพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยนะอุปมานี้หนักแน่นที่สุดไม่มีอุปมาไหนที่จะยิ่งกว่า น, นี้อีกแล้วเทวว่าเป็นอุปมาที่หนักแน่นเพราะว่าการติเตียนพระริยเจ้าเนี่ยมีโทษอย่างมากมายอย่างติเตียน พระอรหันตสาวกทั้งหลายหรือติเตียนพระโสดาบันพระสกทาคารมีพระอนาคามีหรือพระอรหันตทั่วๆไปก็นับว่ามีโทษมากอยู่แล้วติเตียนพระปเจกับพุทธเจ้ามีโทษมากกว่าแล้วติเตียนพระปเจกับพุทธเจ้าเป็นร้อยองค์เนี่ยนะก็ไม่ได้มีโทษเท่ากับพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเลยเหมือนอย่างที่บอกว่าทําบุญกับผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันร้อยท่านก็ไม่ได้บุญเท่ากับทําบุญกับพระโสดาบันท่านเดียว ทำบุญกับผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเป็นพระสกทาคามีร้อยท่านก็สู้ทำบุญกับพระสกทาคามีครั้งเดียวไม่ได้ทำบุญกับผู้ปฏิบัติเพื wow. ่อความเป็นอนาคามียร้อยครั้งก็ได้บุญน้อยกว่าทำบุญกับพระอนาคามีครั้งเดียวทำกับพระอนาคามียร้อยครั้งก็ไม่ได้ผลเท่ากับพระอรหันต์ครั้งเดียวทำกับพระอรหันต์ร้อยองค์หรือร้อยครั้งก็ไม่ได้บุญเท่ากับพระปัจเจกับพุทธเจ้าอย่างเดียวทำบุญกับพระปเจกับพุทธเจ้าเป็นร้อยองค์เป็นร้อยครั้ง ก็ไม่ได้มีบุญเท่ากับทํากับพระพุทธเจ้าครั้งเดียวฉันใดผู้ที่ทําบาปกับพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเนี่ยนะทำบาปด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนี่ยนะอย่างเช่นสุพระ ส, สุนัขตา่าฤชวีบุตรเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นนั้นการที่เขาปฏิเสธว่าอริยมรรคของพระพุทธเจ้าไม่มีการทําให้ประจักษ์แจ้งในธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีพระองค์แสดงธรรมเพราะเป็นนักตักกะเป็นนักตรึกไข้ครวนคิดเอา แต่ที่พูดแล้วเนื่องจากว่าฟันพระองค์ดีลิ้นพระองค์บางเป็นต้นเมื่อพระองค์เทศแล้วคนก็เลยยอมรับเนี่ยนะจริงๆแล้วไม่มีความรู้ความสามารถอะไรเลยพระองค์บอกว่าผู้ที่กล่าวอย่างนี้พูดอย่างนี้คิดอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ถ้าไม่สละโดยขอเข้ามาเป็นต้นเนี่ยนะแน่นอนที่จะตกนรกนี่ก็กล่าวอุปมาอย่างนี้สี่ครั้งแล้วเนี่ยนะกล่าวอย่างนี้เนี่ยสี่ครั้ง ต่อไปในข้อ170หน้า47ดูก่อนสาริบุคติห้าประการเหล่านี้แหละห้าประการเป็นชนะไหนคติเนี่ยแปลว่าวที่ไปเนี่ยนะที่ไปนี่มีอยู่ห้าอย่างนะคติคือนรกหนึ่งคติคือกำเนิดเดรัจฉานหนึ่งกำนิดคติคือเปรติวิสัยหนึ่งคติคือมนุษย์หนึ่งคติคือเทวดาหนึ่งทั้นคติห้าประการ ดูก่อนสารีบทเราย่อมรู้ชัดซึ่งนรกทางให้ถึงนรกปฏิปทาข้อปฏิบัติอันจะยังสัตให้ถึงนรกนะรู้ด้วยว่านรกนคืออะไรนรกทั้งหมดเนี่ยมีกี่ขุมแต่ละขุมเนี่ยกระจายละเอียดอย่างไรเนี่ยนะเช่นนรกยาหลักหลักเนี่ยมีอยู่แปดขุมแต่ละขุมก็แบ่งออกเป็นบริวารอีกสี่ทิศเนี่ยนะก็สี่ขุมแล้วแต่ละสี่ทิศก็มีบริวารปลีกย่อยออกไปอีกเนี่ยนะ ก็ในหนึ่งจักรวาลก็มีนรกเป็นร้อยขุมว่างั้นเนี่ยเป็นร้อยขุมแล้วในจักรวาลอันหาที่สุดไม่ได้พระองค์รู้ชัดซึ่งนรกนรกของแต่ละชั้นเนี่ยได้รับทุกโทษอย่างไรนับตั้งแต่ว่าสัญชีวานรกกาและสุตตะนรกตาปะนรกมหานรกตาปะนรกโลรุวานรกมหาโลรุวานรกอเวจีนรกนรกแต่ละอย่างนั้นเสวยทุกอย่างไรพระองค์รู้และไม่ใช่รู้จักแต่นรกอย่างเดียวรู้จักเหตุให้ ให้ไปถึงนรกด้วยว่าทำตัวอย่างไรปฏิบัติตนเช่นใดจึงไปสู่อบายทุกคติวินิบาต์นรกเนี่ยนะประมก็ว่าอย่างที่ผู้ที่อยู่ในเรือนจำมาดีเนี่ยบอกเรือนจำนี้มีกี่แดนเดนหนึ่งสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเนี่ยนะแดนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเยี่ยมไม่ได้แดนที่หกเยี่ยมได้เป็นต้นเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยและคดีเหลา่าใดไปสู่แดนใดเนี่ยนะครับรู้เลย ชั้นใดก็ดีกรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็เหมือนกันแบ่งนรกมีกี่ขุมแต่และขุมเป็นอย่างไรนะแล้วทําเหตุอย่างไรจึงไปอยู่ในนรกเหล่านั้นแล้วต้องอยู่นานเท่าไหร่แค่ไหนเป็นต้นเขาก็มีพ่านพระองค์นั้นรู้ทั้งว่าสัตว์นรกนั้นเป็นอย่างไรนรกคืออะไรสัตว์ทํากรรมเหล่าใดจึงจะไปนรกข้อปฏิบัติใดเป็นข้อปฏิบัติเพื่อนรกอย่างเดียว อันหนึ่งสัตว์ผู้ดำเนินประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบ า, ายทุคติวินิบาตนรกเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยนะไม่ใช่แต่นรกอย่างเดียวนะอย่างอื่นพระองค์ก็รู้อีกนะรายละเอียดเกี่ยวกับ น, นรกไม่ใช่แต่คุมหลักคุมย่อยปลีกย่อยรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นอุสุธารกเนี่ยนะย ม, มโลกเป็นต้นพระองค์ก็รู้ว่างั้นดูก่อนสารีบรเราย่อมรู้ชัดซึ่งกาเนิดเดรฉ า, าน นะสัตว์น้ําสัตว์บกสัตว์มีปีกไม่มีปีกสัตว์ไม่มีเท้ามีสองเท้ามีสี่เท้ามีเท้ามากสัตว์นะสัตว์บกสัตว์น้ําสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําเป็นต้นเนี่ยพระองค์ก็รู้จักเดรชานทั้งหมดเป็นอย่างดีทางหรือข้อปฏิบัติเพื่อทางเทียวมัรคามัรคาที่จะยังสัตว์ให้เกิดในกําเนิดสัตว์เดรชานปฏิปทาคือข้อปฏิบัติยังสัตว์ให้ถึงกําเนิดเดรฉาน อันหนึ่งผู้ดำเนินประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าสิ่งกำเนิดเดรฉานเราย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยรู้อย่างดีเลยว่าเดรฉานไปยังไงเนี่ยนะทำตัวอย่างไรชาติหน้าเดรฉานแน่นอนดูก่อนสารีบรเราย่อมรู้ชัดซึ่งเปติวิสัยทางไปสู่เปติวิสัยปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงปิติวิสัยอันหนึ่ง สัตผู้ดำเนินประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงปิติวิสัยเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยนะทำตัวยังไงตกนรกเหมือนกันดูก่อนสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งมนุษย์มนุษย์ในทวีป ท, ทั้งหลายเนี่ยนะ ทางอันยังสัตว์ให้ถึงมนุสโลกปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงมนุสโลกอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมอุบัติในมนุษย์เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยนะดูก่อนสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดเทวดาทั้งหลายตั้งแต่ภูมมะเทวดาอากาศเทวดาจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานารดีปารนิมิตตวสวติพรมะมโลกาเป็นต้นเนี่ยไล่ไปเรื่อยเนี่ย และทางอันยังสัตให้ถึงเทวโลกปฏิปทาอันจะยังสัตให้ถึงเทวโลกอันหนึ่งสัตผู้ปฏิบัติประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยดูก่อนสาริบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งพระนิพพานมรกิอริยมรตอันจะยังสัตให้ถึงพระนิพพาน ปฏิปทาอริยมรรคปฏิปทาอันจะยังสัตใหถึงพระนิพพานอันหนึ่งสัตผู้ปฏิบัติประการใดย่อมทำให้แจ้งจิตวิมุตคืออรหัตผลสมาธิปัญญาวิมุตนะอรหัตผลปัญญาอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยเนี่ยนะรู้ดีเลยว่างรู้ว่านรกนรกคืออะไร เดราชานคืออะไรเปรตคืออะไรมนุษย์คืออะไรเทวดาคืออะไรพระนิพพานคืออะไรอันนันข้อปฏิบัติเพื่อถึงที่เหล่านั้นทํำยังไงทําตัวยังไงตกนรกแน่นอนทําตัวยังไงเปิดเป็นเปรตเป็นเดราชาเป็นอสุรกายเป็นเดราชานเป็นมนุษย์และเป็นเทวดาปฏิบัติอย่างไรจึงจกบรรลุมรรคผลนะปฏิบัติอย่างไรจึงจะบรรลุมรรคผลอั น, นพระองค์ในรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างดีนี่ก็อุปมาให้เข้าใจชัด ดูก่อนสารีบุทเราย่อมกําหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่ารู้ใจด้วยใจคือรู้ใจด้วยสัพพัญญุตยานว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดําเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจักเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกก็เราว่าดูพฤติกรรมคําพูดแนวความคิดรู้เลยว่าคนนี้นรกแน่นอนนงั้นนะ พยากรณ์ได้เลยนะเรียกว่าเหมือนกับแบบพวกท่าเรียนตำราโหราศาสตร์หมอดูเป็นต้นเนี่ยบอกลักษณะคนแบบนี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เห็นหน้าปั๊บรู้เลยอันนว่าอนาคตเขาเป็นอย่างไรฉันใดอันนผู้ที่รอบรู้อย่างพระพุทธเจ้านี่เห็นหน้าเห็นพฤติกรรมเห็นกายกรรมวิมจีกรรมมโนกรรมบอกได้เลยว่านรกแน่นอนเหมือนกันเถอะบอกได้เลยว่านี่นรกชัดๆเลยเหมืนกันนั้นเรียกว่าสัตว์นรกที่ยังอยู่ในคราบมนุษย์เป็นต้นเท่านั้นเอง แต่จริงๆแล้วพื้นเพพื้นฐานความรู้สึกนึกคิดนี่มันสัตว์นรกนะเนี่ยมันบอกได้เลยว่านรกแน่นอนโดยสมัยต่อมาอันเนี้ยตอนแรกเห็นรู้เหตุใช่ไหมมองเหตุแล้วก็ยั่งถึงผลที่นี่เห็นผลในต่อมาเราก็เห็นบุคคล น, นั้นอะเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงอบายทุกติวินิบาดนารกสเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวด้วยที่ประจักษ์สุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุของมนุษย์ นะเห็นชัดเลยว่างั้นเถอะตอนทําเหตุก็เห็นตอนที่เสวยผลแล้วก็เห็นดูก่อนสารีบทเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงที่ลึกกว่าชั่วบุรุษนะหลุมฐานเพลิงอ่ะนะเต็มไปด้วยฐานเพลิงที่ปราศจากเปลวปราศจากควันลําดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผา แล้วก็เหนื่อยร้อนถูกความร้อนครอบงำเหน็ดเหนื่อยสะทกสะท้านหิวระหายมุ่งมาสู่หลุมฐานเพลิงนั่นแหละโดยมักคาสายเดียวหมายค่าว่าแมสเหมือนกับถูกดันถูกผลักให้เดินไลไปตามกระแสเส้นทางสายนี้เนี่ยนะตกถึงไหนอะบุรุษผู้มีจักสุเห็นเขาแล้วเพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญ บุรุษผู้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นขึ้นสู่หนทางนั้นจักมาถึงหลุมฐานเพลิงนี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักสู่นั้นก็เพึงเห็นเขาตกลงไปในหลุมฐานเพลิงนั้นสเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวแม้ฉันใดดูก่อนสารีบุตรเราย่อมกําหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉันนั้นเหมือนกันแล้วว่า บุคคล น, นี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจากเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกโดยสมัยต่อมาเราก็ได้เห็นบุคคล น, นั้นน่ยเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกก็เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกสเสวยทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวด้วยที่พจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขของมนุษย์เนี่ยนะ ถ้าถ้ามองแบบธรรมดาบอกมองเห็นหน้าใครเนี่ยรู้เลยว่าต่อไปะเขาเป็นอะไรเนี่ยถ้าแบ่งเลยสัตว์โลกทั้งโลก เ, เนี่ยแบ่งเลยมองเห็นหน้าใครบอกว่าคนเนี้ยอนาคตนรกอย่างเดียวเนี่ยนะมองเห็นทั้งหมดขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเขาไปถึงนรกก็รู้เลยว่าอ<ฮ>ันเนี้ยมาจากนี่มาจากนี่ ม, าานมันมองเห็นสัตว์นรกเนี่ยพระองค์รู้ถึงอดีตทั้งหมดของสัตว์นรกและมองเห็นพฤติกรรมทั้งหมดของคนที่จะไปนรกนก็บอกได้เลยว่าเนี่ยเขาจะกําลังจะปฏิบัติเพื่อจะไป นรกเนี่ยนะแบบที่สุนัขข่าริชชวีบุตรตําหนิพระพุทธเจ้าใช่ไพระ อ, องค์ก็บอกเลยเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้ความปฏิบัติอย่างเนี้ยนี่ข้อปฏิบัติเพื่อตกนรกนะถ้าไม่ละไม่สละคืนถ้าไม่ละความคิดถ้าไม่เลิกคิดแบบนี้ไม่พูดไม่เลิกพูดแบบนี้ไม่ปรั บ, ป ร, บปรับทัศนคติไม่แปลความเห็นซะไม่เห็นตรงกันข้ามแล้วขอขอมาลาโทษซะบอกว่ายากว่างั้นนะนี่แหละวิธีการไปนรกว่างั้น เหมือนอะไรเหมือนกับคนที่เขาสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาบรรลุอรหัตผลแน่นอนเหมือนั้นในอัตถกถาที่บอกว่าเป็นหลุมในนรกเนี่ยนะปราศจากเปลเวเป็นฐานเพลิงที่ปราศจากเปลเวปราศจากควันแสดงว่าเป็นความร้อนที่มีกําลังมากถ้าความร้อนที่ยังมีเปลเอวอยู่มีควันอยู่มันยังไม่ร้อนจริงมันยังไม่ระอุจริงร้อนจริงต้องไม่มีเปลเว เปเลวมันต้องไม่โผล่ขึ้นมาแล้วต้องไม่มียังควันอย่างนัเรียกว่าสุดยอดของความร้อนว่างั้นน่ะนะเคยเห็นไหมเหล็ ก, ท, กลลลนะที่ละลายคว้างเลยน่ะที่ละลายคว้างจริงๆมีเปเลวลุกขึ้นไหมไม่มีมีควันไหมไม่มีเพราะฉะนั้นไอ้ร้อนแบบเรียกว่าห้อมเหล็กได้ละลายเหล็กได้เนี่ยร้อนระดับนั้นเนี่ยปราศจากเปเลวและปราศจากควันอันนี้เขาเรียกว่าร้อนสุดซึ้งเลยว่างั้นน่ะนะใครอย่าไปสัมผัสเลย ไม่ต้องไปชิมทั้งนั้นแหละชิมทีในอายุเขาเป็นหมื่นปีนะคุยกันทีเนี่ยเขาไม่ค่อยคุยกันแบบโอ้ห้าปีเจ็ดปีสามปีน้อยมากมีพระนางมาริกาเนี่ยตกนรกเจ็ดวันมีอยู่เจ้าเดียวนะก็พระนางมาริกาเนี่ยเขาเขาเขาคนเก่งมากเลยนะไปหลอกพระเจ้าประเสริฐที่โกศลไว้ครั้งหนึ่งโมสาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลไว้เนี่ยตอนหลังไม่สบายป่วยก่อนจะตายก็นึกถึงว่าโอ้เราเนี่ยนะ ไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงไปหลอกพระราชาได้ยังไงเนี่ยนะพระพุทธเจ้าต้องรู้แน่นอนเลยว่าเราหลอกพระราชาว่าเรามมสาอุ้ยคนนั้นก็ต้องรู้จักเราคนนี้ก็รู้จักเราโอ้ยเครียดเลยตายก็ดีตายแล้วตกนรกเจ็ดวันนะ่ยนะวันที่เจ็ดเจียงพลนรกเพราะฉะนั้นอมีอยู่เจ้าเดียวนี่แหละที่ว่าตกนรกอยู่แป๊บเดียวเนี่ยนะแต่ชีวิตของนางเนี่ยทําบุญเป็น คือแมคว่าทำบาปนับได้ว่าหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยนะนิดเดียวจริงๆแต่อที่ทำบุญนี่มหาศาลแต่ว่าไอ้ก่อนตายเนี่ยวิปฏิสารเนี่ยนะก่อนตายเนี่ยเดือดร้อนใจมากนะกลัวคนอื่นเขารู้เขาเห็นเขาจะตำหนิเอาขณนะแต่ว่าก็ตกนรกแค่เจ็ดวันเนี่ยนะแต่พระเจ้าชาติศัตรูนี่ก็เบาแค่หกหมื่นปะีเนี่ยนะแค่หกหมืนปีเรว่าลงในโลหกุมพีก็มุดลงไปสามหมื่นปีโผล่ขึ้นมาอีกที สามหมื่นปีก็พ้นจากนรกแต่หลวงพ่อเทวทัศ์เนี่ยนะเศษหนึ่งหนึ่งคือหมายคือว่าจกนรกตลอดกลับหมายคือว่ามหากับใหญ่เนี่ยนะเขอบอก ว, ว่าส่วนเศษหนึ่งส่วนแปดสิบของมหากับมหากับเนี่ยอายุมันไม่รู้กี่พันกี่พันล้านปีเนี่ยนะแกได้อยู่ส่วนเศษหนึ่งส่วนแปดสิบเนี่ยนะก็ออยู่อยู่ประมาณเกือบสองเปอร์เซนตน่ะ น, นะ ถ้ากับหนึ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็บอกกัอยู่สักสองเปอร์เซนตอะไรเงี้ยโอสองเปอร์เซ็นนี่ยมหาศาลเลยนะเพราะหน่วยมันตัวเลขหมามันตัวเลขถ้าเขียนเป็นเลขศูนย์ตัวพิมพ์สงสัยหลายวาเงี้ยนะแค่สองเปอร์เซ็นนี่มันก็เหลือเฟือแล้วนะเหลือกินเหลือใช้แล้วพอแล้วว่ารเงี้ย